เข้าใจอันนี้แล้ว่าโอ้พฤติกลับแต่ละคนมันก็ตามเหตุปัจจัยอันนี้เองนะเหตุปัจจัยที่เขาฝึกฝนมาว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เท่านั้นแหละอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเขาก็ทําไปตามนั้นช่างน้ำหลักเขาก็ทําไปคราวนี้ก็เห็นใจเห็นใจหนึ่ก็คือว่าถ้าเขาทําสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่เดือดร้อนสิ่งที่จะเป็นทุกข์โทษไทยกับเขาเนี่ยจะเกิดผลเสียกับเขาเนี่ยก็จะเห็นใจเขาโอ้เห็นใจนะน่าสงสารนะเขาต้องเดือดร้อนแบบนั้นแบบนี้ ก็จะเมตตาะจะเห็นใจอยากไปช่วยเหลือจะหาทางช่วยเหลือนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็นใจเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะให้โอกาส ใ, ให้โอกาสก็คือว่าถ้าเขาถ้าเขาจะมาปฏิบัติเพื่อที่จะให้พ้นจากนรกอันนั้นพ้นจากความเดือดร้อนทังนั้นนะครับเราก็จะให้โอกาสก็มาปฏิบัติเอื่อเขามีอะไรเพื่ออะไรก็เพืเออ่อเพื่อข้อมูลได้ก็เพื่อเราก็ถุได้ก็เพื่ออันนี้คื อ, อให้โอกาสนะให้เขาให้เขาได้ ขึ้นจากนรกหรือว่าให้ได้รับความผาสุกนะครับให้ได้รับประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราทําได้แต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่ยินดีไม่เต็มใจครับถ้าเขายังไม่พร้อมไม่ยินดีไม่เต็มใจที่จะขึ้นจากนรกหรือว่าที่จะมาทำมาเอาดีมาเอาประโยชน์อันนี้นะครับเราก็จะให้โอกาสเขาไปลงนรกให้โอกาสเขาไปลงนรกทําไมที่ให้โอกาสเขาไปลงนรกเพราะยังไงยังไงมันก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้ว เราห้ามคนไมห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะห้ามเราก็เหนื่อยเปล่ายังไงเขาเริ่มไปลงนรกอยู่แล้วเราก็จะให้โอกาสเขาไปลงนรกถ้าเขาไปลงนรกนะเขาก็จะเห็นทุกเมื่อเขาเห็นทุกเขาจะเห็นธรรมเมื่อเขาเห็นธรรมเขาจะขึ้นใจนรกเพราะเขาขึ้นใจนรกแล้วก็หาทางช่วยเหลือเขาถ้าเขาพร้อมที่จะขึ้นเดือนนรกแล้วเขาเต็มใจที่ให้เราช่วยเราก็หาทางชื่อยเหลือเขาแต่เราต้องเข้าใจคนนะครับคนบางคนเนี่ยนะเขามีบุญบารมีมากๆเลยนะ แค่ได so so really? ้ฟ like ังเรื่องราวข้อมูลว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเนี่ยถ้าเขาชัดเจนแล้วเขามีบุญบริญญาบริณีม้างๆเขาจะขึ้นจากนรกเลยหรือเขาจะไม่ไปฐานโลกกันนั้นเลยอันนี้เป็นธรรมดาแต่บางคนเนี่ยเขาต้องไปลงนรกเองก่อนบางคนเนี่ยนะเขาถึงจะชัดว่ามันเป็นนรกต้องทุกชัดทุกพออย่นแหละต้องทุก่อนเขาต้องทุกชัดทุกพอก่อนเขาถึงจะขึ้นจากนรกคนเราเลยทุกชัดทุกพอก็อยู่เอง ทุกไม่ชัดทุกไม่พอก็ไม่อยู่มันไม่สัจจ์นะใครทุกเรื่องไหนชัดชัดแล้วพอแล้วนะเจะขึ้นแต่ทั้งทุกไม่ชัดทุกไม่พอก็ไม่อยู่รอกมันทุกไปอยู่ที่นั่นแหละแล้วคุณอย่าไปดูถูกคนนะคนราวนี่หลายคนเขาอึดนะเขาอึดเขามีความแข่งในตัวเองนะเขาสามารถแช่ในน้ำได้นานนานนานนานมันคืองานล้อเนี่ยมัยากเลยยังไม่เข็ญยังไม่เข็ญยังไม่พอไม่กไม่พอนะ แถมคุมนี่ไม่พอขออีกคุ้มหนึ่งขออีกคุมหนึ่งยังไม่พออีกย่งอยิงอ่งคุมหนึกจะไม่ดูถูกคนนะโอ้โหคนยุคนี้งแหลปดมันเกิดปปากก็ไปคำนี้โคตรอึดเลยมันไม่สุภาพแลยว่อยากจะพูดเาว่าโคตรอึดไม่พูดกได้แต่อดน้าดูอะจริงนะโอ้โหคนยุคนี้แค่แล้วมักได้นานจริงเลย ก็ผ่านแต่ไม่แช่ได้นานขนาดนี้จริงๆโอ้ยยิ่งไปดูสู่คนนะแต่เมื่อไรก็ตามแล้วลาเขาทุบชัดทุบพอแล้วก็ด้อยู่เดองเขาจะขึ้นจากนรกเองแล้วมาพอใช้ขึ้นเองจริงๆขึ้นจากนรกเอาละเมื่อคนทุบชัดทุบพอเขาจ ะ, ะขึ้นจากนรกแล้วเนี่ยเราขึ้นจากนลกเาก็ช่ว ย, วยอย่างเขเราแค่อยู่คอทามเท่านั้นเองหาไมีช่วยคเขาถ้าอะไรถ้าทําไมต้องต้องเลือกช่วยเหลือคนที่สมัตใจตัว น, นี้สำคัญ ทำไมเราต้องช่วยเหลาะคนที่สมัครใจเพราะพระเจ้าเนี่ยท่านท่านเกิดมาหลายชาติพระเจ้าท่านเกิดมาหลายชาตินท่านรู้ว่าถ้าช่วยคนที่สมัครใจเต็มใจเนี่ยมันโอกาสประสบความสาเร็จมัสูงถ้าช่วยคนที่ไม่สมัครใจไม่เต็มใจไม่พร้อมเนี่ยโอกาสจะประสบความล้มเหลวสูงแล้วมันจะเป็นปัญหาซะมากกว่าท่านจึงไม่ไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมให้ใครเนไปช่วยคนที่ไม่เต็มใจ เราต้องดูให้ดีๆนะครับเวลาจะไปช่วยใครดูตามมาตาเรือให้ดีๆดูตามมาตาเรือไปดูว่าเขาเต็มใจหรือไม่เต็มใจเขาพร้อมหรือไม่พร้อมเ<ล> <c oughs> พราะ อ, อะไรยกตัว อ, นะ อ, อ, อ, อย่างเช่นนะเพราะอะไรนะคืออค่างเงี้ะมันจะมีมันจะมีตัวอย่า ง, งเหมือนกันนะมันมีคือคนหลายคนในในในโลกใบนี้นะไอคนที่ยึดถือ ม, มันจะมีภาษานในการไปช่วยคน้องนึกดดีกว่าเวลามันจะมีภาษาที่จะไปช่วยคนนะครับ ภาษาที่ช่วยที่การฝึกพรมสีหน้าจะต้องใช้สัมมาวาจารสัมมาวาจานี่จะเป็นสัมมานะสัมมาวาจาจะเป็นทางเอกมักนจะไม่จะมาพนทุกขันต้องใช้สัมมาวาจารที่จะที่จะขัดเกลาไปถึงใจแล้วจะทําให้เราเนี้ยทำอุเบกขาได้ง่ายเวลาเราจะไปช่วยใครเนี้ยนะลองฝึกใช้ประมาณห้าคำนี้ดูนะแล้วจะเกิดประโยชน์กับเรามากเลยกับเปิดเกิดประโยชน์กับโลกมากเลยลองฝึกประมาณห้าคำนี้หนึ่งจะดีไหมจะหมอกไหม จะเห็นอย่างไรจะลองหรือบ้างไมมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้จะดีไหมจะเหมาะไหมจะเห็นอย่างไรจะลองหรือบ้างไหมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เราฝึกประมาณห้าคำนี้หรือใกล้เคียงห้าคำนี้เวลาเราไปช่วยเหลือใครก็ตามาลองฝึกประมาณห้าคำนี้หรือใกล้เคียงห้าคำนี้มันเป็นการที่เราพยายามให้ให้คนนะให้ข้อมูลกับคน ให้ข้อมูลที่ดีๆกับคนเช่นจะดีไหมถ้าจะลองกินน้ำโคลอรฟินดูจะดีไหมจะลองอกินน้ําำบวบดูอะไรดูกันแล้วแต่นะดีไหมจะลองกัวซาดูจะดีไหมจะลองโยคะ ด, ดูอะไรแบบนี้นะครับพอเราบอกจะรู้ว่าจะเห็นอย่างไงนะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะสมมุติอย่างนี้นะแต่เห็นคนนั้นคนนี้เขาทำก็ได้ประโยช น, น, น์แบบนั้นแบบนี้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะอย่างนี้นะ ถ้าสมมติเราเราไปบอกคนแบบเนี้ยเวลาไปช่วยเหลือคนเราเห็นว่าอะไรดีก็ตามแล้วไปเสนอแบบเนี้ยเนี่ยคนที่เราถูกช่วยเหลือจะทุกข์ไหมทําไมจึงไม่ทุกข์เพราะเขาไม่ถูกบีบบังคับใช่ไหมเพราะคอมคอมถูกบีบบังคับคอคับถกทุกข์เขาไม่ถูกบีบบังคับเขาก็ไม่ทุกข์อะไรใช่ไหมเออเขาไม่ไม่ถูกบีบบังคับอะไรเขาสามารถตัดสินใจด้วยตัวเขาเองใช่ไหมไม่ถูกบีบบังคับอะไรเขาก็ไม่ทุกข์ แล้วคนที่ไปช่วยเหลือถ้าทําใจได้อย่างนี้จริงๆอ่ะเสนอข้อมูลนี้นี้ไปเสร็จแล้วก็เขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้สมมุติใจเรานะเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ทําได้นดีใจเลยนคนที่ไปช่วยเหลือจะทุกข์ไหมทำไมยังไม่ทุกข์พรไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ไหมแล้วก็ไม่รอผลอะไรใช่ไหมไม่ได้คาดหวังไม่ได้รอผลไม่ได้ที่จะเอาอะไรใช่ไหมไม่ได้ให้อย่างเดียว ให้ข้อมูลและให้การตัดสินใจให้สองให้เลยใช่หมหนึ่งให้ข้อมูลสองให้การตัดสินใจกับเขาไปจิตที่คิดจะให้สบายไปจิตที่ที่จะเอาจิตที่คิดจะให้สบายไปจิตที่ที่จะเอานะครับมันไม่สัดจและหลายคนเน่ยคิดจะให้นะอยากให้เขาได้ดีแต่จะเอาเอารายะเอาดีสัยดีกับเขาถ้าใครที่จะเอาแม้แต่ดีสัยดีกับคนนะคุณจะกรักเลือกตายคุณจะทุกข์แต่ถ้าสมมติว่าเราให้ ให้ข้อมูลที่ดีๆไปแต่ต้องให้การให้การตัดสินใจไปเลยปล่อยเลยก็ยเลยปล่อยวางแล้วให้เลยนะก็จะสบายเราจะไม่ทุกข์อะไรเนี่ยมันเป็นภาษาที่จะขัดเกาื่อนอังกฤษเราขัดเกาืก่อนอังกฤษว่าเออฝึกเป็นคนให้ฝึกให้ข้อมูลแล้วฝึกให้คนอื่นตัดสินใจ เ, เองฝึกเป็นคนให้คนที่สึกเป็นคนให้จะมีของท้าสุดแต่คนที่ฝุกเป็นคนเอาจะมีแต่ทุกข์เอาจะเอาอะไรนะหลายคนจะเอานิสัยดีๆเขาอะไรจะเอาพฤติกรรมที่ถูกต้องพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์จากเขา ไม่ใจะเอาเราจะเสกเพราะเองจะเอาเพื่อจะเสกถ้าเขาเอาดีแล้วถึงจะเสกโอ้เป็นสุดเอาดีในใจเราแต่ถ้าบางคนไม่เสกตอนนี้เราให้ไปเลยให้เราไปจบเลยให้ข้อมูลให้กับเราจิตใจแล้วถ้าจบเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์อะไรเราจะไม่ทุกข์อะไรนะแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นสายติดดีมากๆเนี่ยพวกที่เป็นทองสามหน้ามากๆนะหลงว่าดีเป็นสุขนะหลงยินดีที่เขาได้ดีพอหลงยินดีที่เขาได้ดีแล้วหลงว่าดีเป็นสุขปุ๊บเนี่ย พวกี้จะไม่คอยอมะจะไม่ค่อยพูดภาษานี้หรอกอยากให้เกิดดีมากๆอยากให้เกิดดีจะเอาดีมากๆอยากให้เกิดดีมากๆเขาจะไม่ใช้ภาษานี้หรอกเขาจะใช้ภาษาอะไรรู้ไหมครับทำไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไม่ทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ควรทำอย่างนั้นควรทำอย่างนี้พวกนี้จะเป็นสายสั่งสั่งการกดดันบีบคั้นบีบคับยัดเยียดพวกนี้ผด็จการนี่จะเป็นสายพวกนี้แหละผู้จัดการนี่จะเป็นสายผู้จัดการผู้จัดการในชีวิตคนอื่นเขานะ โอ้จัดการคนลัคนนี้บีคอย น, นะถ้ามีพมังคับเป็นบีคอทําเลยคนนี้จะสายปฏิบัตการอย่างนี้แหละประจำพยายามที่จะกดกันจัดการให้คนอื่นนั้นทํำดั่งใจที่เราหมายใช่ไหมแต่จัดการให้คนอื่นทําดั่งใจที่เราหมายคนที่เป็นรัศดรย์นี้นะมันจะโดยธรรมชาติของคนเนี่ยทำจริงเลยเราสามารถจัดการสามารถปฏิบัติการคนอื่นได้ตลอดเวลาหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะไปบีบังคับคนอื่นได้ตลอดเวลาหรอกไม่มีทางแน่นอนตอนที่เรามีอำนาจ เขาจะทำไหมเขาก็อาจจะทําตามตามที่เราบีบมาขับเขาแต่ถ้าเขาไม่ชอบใจวันที่เราหมดอำนาจเขาจะทํำไหมเขาก็ไม่ทำใช่ไหมเขาก็ไปทําอย่างที่เขาอยากทําเมื่อก่อเราก็เหมือนใจในปัมป่าวแถบแถวตัวอีกทยงหนึ่งเขาก็ไม่ชอบใจใช่ไหมเขาก็อึดอัดแล้วเขาก็ทุกข์เราเขาก็อืดอัดเราก็ถูกเปลี่ยนเปล่าใช่ไหมถูกเกลี่ยนเปล่าก็เสียเสียอะไรเปล่าเปลาเสียเวลาเปล่าเปล่าเพราะโดยธรรมชาติของคนแล้ว ทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่ละเสรีภาพในการกำหนดความเป็นไปในตัวของเขาเองหรือตัวของเขาเองทุกคนมีสิทธิ์กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองหรือตัวของเขาเองด้วยการการะทาของเขาเองไม่มีใครไปกำหนดใครได้อย่างยังย่งยืน่าวรหรอกเราเปลี่ยนแปลงเราได้เท่านั้นเรากำหนดเราได้เท่านั้นเรากำหนดคนอื่นไม่ได้โดยสัจจะแล้วมันก็ไม่ได้ ทุกคนมีอิสระเสรีภาพในการกำหนดความเป็นไปในชีวิตของตัวเองนะครับทุกคนมีอธิปไตยตัวเองประชาชนอธิปไตยอธิปไตยตัวเองแต่คนที่สายยันดีมากๆนี่เขาจะไม่อย่างนั้นหลักงัเขาจะดัดเรยียดเลยกด ด, ดันดีพันดีปรคับเลยนะพวกนี้เผด็จการเลยนะไม่ใช่ประชาิปไตยัวเองจะเผด็จการเลยจัดการตนะ้องงัดต้งงี้ควรทำงัดคนรทำอย่างนี้ไปจัดการโอ้เราสายเผด็จการเนี่ยนะเวลาคนเขาไม่ทําตามแล้วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ เวลาเขาเวลาเขาปฏิวัติเขาไม่ทําตามที่ตัวเองมุ่งหมายเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวกะเครียดงตายเครื่องมุดเงียบ อ, อึดททอัดทุกทรมานมันจะทุกข์ทรมานตัวเองนะครับเอ้ยไปเบื่อบ้างง่ายนักศึอสายผู้จัดการหลายคนนีสอบติดตำแหน่งผู้จัดการแั้วแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหติดมาหลายพบหลายชาติ ได้เกณนิยมเลยนะจัดาคนเดียวเลยได้เกณฑ์นิยมเลยวิชาจัดการคนาจินนเขาดีเขาเนี้ยแล้วจัดการคนนั้นลจัดการลูกแล้วจัดการผัวและจัดการเมียแล้วจัดการญาติแล้วจัดการคนนั้นจัดการคนนี้จัดการเพื่อโรงงานโอ้โหจัดการไปหมดเลยเรียนวิชาจัดการมาสอบต้องได้เกณฑ์นิยมแลยเนี่ยโอ้นะสอบสิตำแหน่งผู้จัดการตัแต่เมื่อไหรก็ไม่รู้นะไม้เบือบ้างไงตำแหน่งผู้จัดการหรือเบือบ้างไงเลือตตำแหน่งจะบังสี้เนะ เรื่อไปที่ปรึกษาคิดดีมาสักมเรื่องไปที่ปรึกษาคิดีมาสักมั่งที่ปรึกาคิดิีมาสัยมันเขาจะคอยช่วยเหลือเวลาเวลาลูกทีมเดือดรอเนั้นแหละเวลาเอาเวลาทีมเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเขาก็ะให้คำปรึกษาแต่ยังถ้าเขาไม่มาขอความช่วยเหลือเขาแต่แล้วไปปล่อยให้เขาเรียนรู้ไปเป็นที่ปรึกษาคิดดีมาสักมันจะไม่ทุกจะไม่ทุกข์อะไรนะคอยให้คำปรึกษาป็่ผู้จัดการมีโอ้โหะนความเครียดเคยได้ยผู้จัดการ นาด <fund ses> ่าเพ้อเพียรแต่ใครเป็นผู้จัดการนึ่ยไม่ได้รับไม authorized. ่ดนอนหนยุ่งหน้าเยอะโู้ยเลยย่จัดการคนมากเท่าไหร่ยุ่งมากเท่านั้นนะเป็นอย่างนั้นแหละนะทุกคนทรมานนะเลื่อนระแหน่ซะบ้างที่ปรึกษาที่บริษัทคอยช่วยเหลือคนอื่นรับเวลาเขาต้องเป็นใจอันนี้นะครับไม่งั้นนะโอ้โหสายผู้จัดการเนี่ยนะ ถามอีกนถ้ามีคนอื่นมามาจัดการเรามากๆกมาเผด็จการมาจัดการมากกว่ า, าก ด, กาาดันมาบีบคั้นบีบังคับเรามากๆมาๆแล้วแยกให้เราทําอะไรแบบนี้ต่อให้ดีก็ตามแต่เรายังไม่พร้อมสมมตินะต่อให้เป็นเรื่อดีเนะแต่เรายังไม่พร้อมเนี่ยถามนีกนะคุูจะชอบใจไหมไม่ชอบใจใช่ไหมลำคาญไหมงุนหงิดไหมอึดอัดไหอ๋ออึดอัดเลยเนาะมันจะลาคาจ ญ, ญจะงุนหงิดจะอื่นอัดนะถ้าใครที่เป็นสายผู้จัดการเนี่ยนะอยากให้คนนั้นดีแบบนั้นอยากให้คนนี้เป็นแบบนี้ตั้งใจเราไปจัดการมากๆมากๆหนึ่ง คุณจะเป็นคนดีที่โลกเลียดคุณจะเป็นคนดีที่โลกลำคาญคุณจะเป็นคนดีที่โลกเบื่อง่าย